ปัญญามีสองพวกพวกที่เป็นมิจฉาปัญญาแล้วก็สัมมาปัญญาแต่เราไม่ใช้คําว่าในมรรคเราใช้คําว่ามิจฉาทิฐิและสัมมาทิฐิเพราะชื่อคําว่าทิฐิและชื่อของปัญญาเนี่ยมันใกล้เคียงกันอาจจะใช้แทนกันได้แต่ว่าเราเอามาใช้ภาษาไทยใช้ในเชิงเป็นลบคนนี้มีทิฐิแต่ไม่ได้บอกว่าสัมมาทิฐิหรือมิจฉาทิฐิแต่พูดให้เต็มว่าคนนี้มีมิจฉาทิฐิ แต่คนนี้มีสมาธิฏฐิก็หมายความคนนี้มีศาสนาพุทธศาสนาที่ถูกต้องคือมีสมาทิฐินะดังนั้นในเบื้องต้นเราก็ต้องมารู้จักว่าสมาทิฐินี่คืออะไรเดี๋ยวจะได้พูดกันต่อไปนะทีนี้เบื้องต้นนี้ <c oughs> ในอคาสนี้อมากอริตั้งเป้าไว้อย่างนี้ว่าผู้ปฏิบัติแต่ละกลุ่มเนดะี๋ยวจะมีอย่างน้อยสี่ประเภท ประเภทที่หนึ่งก็คือประเภทที่เคยปฏิบัติมานานคือเข้าเก็บอารมณ์เก็บเข้มมาหลายครั้งเข้าใจรูปนามเข้าใจปรมัติดีแล้วนะอย่างน้อยก็เข้าใจปรมัติถ้าถูกต้องนะกลุ่มที่กลุ่มที่หนึ่งว่างั้นเถอนะเข้าใจปรมัตต์รักษาตัวเองได้แก้ไขปัญหาตัวเองได้ส่วนปรมัตต์ระดับใดก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งประเภทที่สองเคยเข้าปฏิบัติมา เข้าคอร์สครั้งละสวันเจวันมาตลอดแต่ยังไม่เคยเข้าปฏิบัติเข้มยังไม่เคยเข้าเก็บอารมณ์เข้มอันนี้เขาเรียกว่าคนรุ่นที่เคยเข้าแต่ว่ายังไม่ได้เคยเก็บอารมณ์ประเภทที่สกับประเภทที่เข้ามาใหม่แต่ว่าใหม่แบบอ่าประเภทที่ว่าเคยสร้างจังหวะเป็นเดินจงกรมเป็นเข้ามาระยะเดือนสองเดือนหรือยังไม่ถึงเดือนเนี่ยคือว่าเข้ามาแล้ว ประเภทที่ใหม่อยู่แต่ยังไม่ได้เข้าใจรูปนามหรือเข้าใจบ้างตามสัญญาในที่นนหน่อยแต่ยังไม่ชัดเจนประเภทที่สี่คือประเภทที่ใหม่จริงๆเพิ่งเข้ามายังไม่ยังไม่เคยผ่านวิธีนี้มาเลยแต่อาจจะเคยผ่านวิธีอื่นมามากมายอาจจะผ่านน้อผ่านพุโทโธผ่านโคอินก้าผ่านสัมมาอรหรังอะไรพวกนี้มาแต่สําหรับใหม่สําหรับวิธีนี้ก็ถือว่าใหม่นะเพราะฉะนั้นก็จะมีสี่กลุ่มหลักๆ กลุ่มแรกก็ประเภทที่เคยเก็บอารมณ์เข้มมาอาจจะเข้าใจถึงรูปนามหรือขั้นปรมัตแล้วก็ได้คือสามารถแก้ปัญหาตัวเองทั้งกายทั้งใจได้น่มากขึ้นถ้าว่าเป็นรถก็มีเบรกที่สได้หมายความว่าเหยียบแล้วก็ได้ตามต้องการประเภทที่2ก็คือเคยเข้าปฏิบัติข้อนั้นข้อนี้มาโดยตลอดแต่ยังไม่เคยเก็บเข้ม อาจจะเข้าใจรูปนามนะประเภทที่สามเพิ่งเข้ามาแต่ว่ายังยังไม่ได้เข้าใจอารูปนามมากนักหรือเข้าใจแต่ผิวเผินแต่สร้างจังหวะเป็นเดินจูมเป็นนะรู้จักใช้เหตุผลมากขึ้นประเภทใหม่สุดก็คือยังสร้างจังหวะเดินจูมยังไม่เคยนะในวิธีการอันนี้ตอนนั้นในคอร์สนี้ก็จะแบ่ง ไปตามทั้ง4ี่กลุ่มนี้นะกลุ่มที่เคยเข้าเก็บอารมณ์เข้มมาก่อนเนี่ยอาจจะให้เข้าเก็บอารมณ์ตั้งแต่ช่วงนี้จะให้5วันเลยนะกลุ่มที่เคยเก็บอารมณ์เข้มมาเพราะว่าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดมากกว่าเดิมว่าสิ่งที่เข้าใจมาเป็นอารมณ์รูปนามประเภทไหนอารมณ์ประมัดประเภทไหนและอะไรได้บ้างตรวจสอบในขั้นนั้นเวลาสอบอารมณ์ กลุ่มนี้จะให้มาสอบอารมณ์ในช่วงของสายสายแต่ละวันกลุ่มที่สองนี่จะให้สักสามวันเข้าเก็บอารมณ์นะคือหมายความว่าเคยปฏิบัติมายังไม่เคยเก็บอารมณ์ลองก็บสักสามวันนะกลุ่มนี้จะให้มาสอบอารมณ์ในช่วงบ่ายสําหรับกลุ่มใหม่ก็เข้าปฏิบัตินะเข้าปฏิบัติอาจจะลองให้เก็บอารมณ์อยู่สักวันวันท้ายๆหรับกลุ่มใหม่นี่นะ ผู้ใหม่มีสองประเภทประเภทที่เพิ่งเข้ามาได้เดินสองเดือนหร้ยังไม่เข้าใจอะไรแต่ยัเคยเข้ามาแล้วหละนะเคยเข้าไปาสนโมกมาไปอาคารธรรมดีรุงโหลดมาหรือไป เ, อเข้าตรงนั้นตรงนี้มาแต่ว่ายังคือมาฟังนะแล้วก็ประเภทที่มาใหม่ๆยังไม่เคยเข้าที่ไหนมาเลยนี่นะเพราะนั้นก็อาจจะลองให้เก็บวันนึงสองกลุ่มนี้น ะ, ะเสร็จแล้ว ในลักษณะการช่วงวันนี้วันพุ่งนี้เนะี่ยกลุ่มที่ว่าจะให้เขาเก็บอารมณ์แล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมไปสองวันก่อนแต่กลุ่มเก่าอีกกลุ่มนึงก็เขา้าร่วมกิจกรรมสักสามวันแล้วนะั้นก็ให้เก็บอารมณ์อันนี้ก็เขาคร่าวเอาไว้นะแต่เบืออเบ้องต้นกติกาเบื้องต้นทุกคนก็ทราบดีว่าเราหนึ่งจะต้องทําอะไรดี เก็บโรศัเก็บกล่องดวงใจไว้ก่อนประเภทที่หนึ่งะประเภทที่สองข้อที่สองก็จะออกไปนู่นไปนี่ออกจากอาคารสถานที่ไปก็ขอได้รับอนุญาตประเภทที่สที่จำได้ก็เดี๋ยวจะพิมพ์นะพิมพ์มาติดเอาไว้ว่าเรามีข้อ กติกาอย่างไรบ้างเสี้หกเ็ดข้อนี่แหละท่านไม่พูดกันเสียงดังหรืออาจจะพูดกันให้เบาๆหน่อยหนึง่งแล้วก็ให้มาตรงตามเวลา <c oughs> อะไรประเภทนี้นะแล้วก็ตั้งใจที่จะศึกษาอย่างจริงจังท่านนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวทั้งท่านเองเพราะเราต้องถือว่าทุกวันนี้เวลามีค่ามากเพราะนั้นมาแล้วเราไม่ใช้เวลาให้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังให้เป็นประโยชน์เนี่ย เราก็จะขาดทุนเพราะเวลามีมีค่าเป็นเงินนะพะมันเงินนี่มันมันมันผ่านไปแล้วก็อาจจะหาคืนกลับมาได้แต่เวลานี่ผ่านแล้วผ่านเลยเอาคืนมาไม่ได้เพราะยังมันจะมีค่ามากไม่ว่านาทีสองนาทีหรือสิบนาทีก็ตามถ้ามันไม่มีคุณค่าของชีวิตเกิดขึ้นเลยทั้งกายทั้งใจเนี่ยแล้วก็ถือว่าเสียเวลาเสียคุณค่าตรงนั้นทีนี้ใน เบื้องต้นในสถานที่เนี่ยกลุ่มที่กลุ่มเก่าที่เก็บอารมณ์เนี่ยหลวงพ่ออยากจะให้อยู่อาคารสามอาคารสี่กลุ่มใหม่หนึ่งสองเนี่ยก็อยากให้ 1, อาคารหนึ่งอาคารสองทั้งหมดมีสอาคารใช่ไหมยมจบมาหลายครั้งแล้วจําได้ไหมอาคารมันมีกี่หลังของผู้หญิงนี่สี่หลังใช่ไหมของผู้ชายหนึ่งหลังนะหลังเดียวของผู้ชายก็ตอนนี้ก็ครบเรียงแต่ละห้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ด้านละกี่ห้องด้านละห้าห้องใช่ไหมไม่ใช่ของผู้ชายอาคารผู้ชายข้างมันมีสิบห้องใว่ปะค้งางละห้าตอนนี้ก็หมายความว่าเต็มแปแล้วสิบหนึ่งวันเนะี่ยก็ขอให้อยู่ให้อยู่เดียวกันสิบอีกสิบหนึ่งก็พื้นทีอาชีพพระมาอีกสองรูปอาจจะยู่ผู้ชายที่ยังไม่มาอีกก็อาจจะเต็มพอดีนะสําหรับยูมก็ ก็จะดูตามทะเบียนก่อนว่าโยมฮโยมจิลาพรครูจิลาพรดูทะเบียนแยกประเภทว่าคนไหนเป็นกลุ่มเก่าอีกกลุ่มหนึ่งก็แจ้งมาว่าอาจจะมาปฏิบัติร่วมตอนกลางวันกลาคืนจะิบอยู่ไ่ไอันนี้ผู้ปฏิบัติร่วมอันนี้ก็เราก็ให้มาปฏิบัติร่วมได้ประเภทที่เขาเคยมาปฏิบัติแล้วมีความจําเป็นไม่สามารถระยะยาวแต่ว่าจะมาช่วงกลางวันได้ ช่วงเช้าช่วงเย็นอาจจะดูแลครอบครัวท่านน้องนี้เขาอยู่ไม่ไกลจากที่นี่อันนี้ก็ประเภทหนึ่งอันนี้ก็มาร่วมเหมือนเหมือนมาพักทายก็สามารถที่จะมาได้เพื่อรักษาอารมณ์ปฏิบัติโอกาสที่หลวงพ่อหรือพระอาจารย์จะมาที่นี่ก็ไม่ไม่บ่อยนี่นะก็โดยโอกาสมาทบทวนอารมณ์อันนี้เบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นคนไหนที่เช็คอินแล้วก็อาจจะมีการปรับเปใหมายนิดหน่อยเนาะเฉพาะโยมผู้หญิงเนี่ย ผู้ชายก็อยู่ตามนั้นก็เลื่กันนะก็คือหมายของผู้ที่เขเก็บอารมณ์ทั้งเค ย, แ ล, เค ย, เยและไม่เคยเก็บอารมณ์นั้นไม่เคยเก็บอารมณ์เดีเข้าค้อนมาไปจําน่ยอยู่อาค า, ารสามอาคารสี่ผู้ใหม่ก็ไปอยู่อาคารหนึ่งอาคารสองเวลาหลวงพ่อไปสอบอารมณ์หลวพ่อจะไปสอบอารมณ์มันมีที่สอบอารมณ์ข้างนอกใช่ไหมหลวพ่อก็จะบอกไปรวมกันที่นั่นไม่ได้เรียกมาที่นี่สมมุติว่าตอนใช้สายเนี่ยกลุ่มที่อยู่อาคารสีก็ไปรวโตันั้นพ่อไปสอบอารมณ์นั้น นะแล้วก็ใบายหน่อยหนึ่งก็สอบปรมดุมอาคารสาสำหรับอาคารหนึ่งอาคารสองมาสำหรับอาคารหนึ่งกัสมาสอบที่นี่กลุ่มใหม่ว่างั้นเถอะกลุ่มใหม่กลุ่มที่ก็สลับกันนะกลุ่มใหม่เบื้องเริ่มต้นอาจจะใช้ชั้นบนกลุ่มใหม่ที่เคยเข้าคอดมันอาจจะอยู่ชั้นล่างแล้วก็สอบปรมกับตรงนั้นทั้งนี้เพื่อให้โอกาสแต่ละคนที่มีเวลา นะให้โอกาสแก่แต่ละชุดชประชาติเคระกันทั้งหมดทั้งเก่าทั้งใหม่ซึ่งมันบาทีคนที่เขาเคยปฏิบัติมาก่อนแทนที่เขาจะได้พัฒนาในรายละเอียดขึ้นไปเขาก็จะไม่เสียเวลากับคนเริ่มต้นหรือนะบางทีคนเริ่มต้นมานั่งร่วมฟังอยู่ด้วยหลวงพ่อก็ไปพูดกับคนเก่าคนใหม่ก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะมันต่างระดับกันอย่างนี้นะเพราะนั้นแยกกันกลุ่มอย่างเงี้มันก็จะสอบอารมณ์มันตรงเป้าแล้วเวลาการให้ข้อคิดให้ สติก็จะเข้าใจได้ง่ายสําหรับผู้ใหม่ที่ก็พ่อจะพูดในระดับเรื่องว่าการเข้าใจเรื่องรูปนามเป็นอย่างไรทําความเข้าใจกันไปต้นๆสําหรับผู้ใหม่ระดับสองเนี่ยรูปนามที่เป็นสัญญาเป็นอย่างไรรูปน้ําที่เป็นปัญญาเป็นอย่างไรแล้วก็กลุ่มเก่าที่ยังไม่เข้าเก็บอารมณ์ก็จะถามในเรื่องว่าช่วงของ รูปนามที่เป็นกายที่เป็นเวทนากับนามรูปที่เป็นจิตเป็นอารมณ์ต่างกันอย่างไรนะกลุ่มที่สี่อาจจะต้องถามเรื่องของความเข้าใจระหว่างสมมติปรมัดเป็นอย่างไรความเชื่อมต่อระหว่างอารมณ์รูปนามไปสู่อารมณ์ปรมัดเป็นอย่างไรแล้วก็ได้สอบอารมณ์ไปอย่างนั้นแต่ละแต่ละครั้งไปแล้วก็ยึตอกย้ำถึงเนี้ยคือ เราก็คงจะไม่เอาเรื่องสเปะสปะมาพูดกันเพราะว่ามันเสียเวลาเพราะหลายคนที่ผ่านมาถึงทางสายนี้แล้วเนี่ยก็หมายความว่ามันเรื่องทั้งหลายทั้งปวงไม่จะเป็นต้องรู้เรื่องก็ได้เพราะว่าที่ไหนก็ฟังได้เรื่องธรรมะข้อนั้นข้อนี้เรื่องธรรมะมันหมายความว่าอย่างไรตีความว่าอย่างไรอะไรนะไปฟังในสื่อเยอะแยะเนาะ<ม>ในยูทในเว็บไซต์หรื อ, ออาจารย์เทศ ฟังตรงนั้นก็ได้ไม่จําเป็นต้องแต่ตรงนี้ต้องการปัญหาด้านเทคนิคในเรื่องของการดูแลอารมณ์การแก้ไขอารมณ์ตัวเองเวลาเราไปกระทบไปสัมผัสต่างๆเราก็พอเราสนใจธรรมะมานานแล้วนะปฏิบัติก็มานานแล้วทําไมเวลาเจอแล้วทาไมอารมณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยเราก็ต้องมาแก้ไขกันแต่ทั้งนี้แล้วนะไม่มีความแตกต่างกันหลายระดับตกต่างเรื่องเสิ่งแวดล้อมเรื่องวัย นะเรื่องระดับการศึกษาเรื่องระดับประสบการณ์ชีวิตอะไรพวกเนี้ยมันก็มีผลไม่น้อยต่อการพัฒนาอารมณ์ของเรานะดังนั้นมันก็จะไปรู้กันตอนสอบอารมณ์นะบางบางคนว่าปฏิบัติมาบ่อยมานานแล้วกระสอบอารมณ์แล้วปรากฏว่าอารมณ์ร่วงนามยังยังยังไม่ไปถึงไหนเลยอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็ต้องมาปรับกันใหม่หรือบางคนเก็บอารมณ์มาจนบ่อยแล้วเข้าใจว่านน่าจะไปไกลแล้วนะ แต่สอบไปสอบมาก็ยังไม่ไปไหนเหมือนกันอันนี้ก็ได้องมาปรับกันใหม่แต่บางคนอยู่ในช่วงอารมณ์ต้นๆอารมณ์คิดว่าเป็นคนใหม่พอไปสอบอารมณ์แล้วอันนี้ไปไกลหรือกระดอารมณ์ปรามัดเลยนะออบางคนอย่างนั้นก็มีนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของวาลจิตเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรือวัยหรืออายุแต่มันขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ หมายความบางคนเนี่ยอาจจะอายุน้อยแต่ว่ามีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณมาสูงแต่บางคนอายุมากแล้วประสบการณ์ทางจิตวิญญาณยังต่าไอ้คำนองเนี่ยมันก็จะต่างกันคนที่มีประสบการทางจิตวิญญาณมาสูงก็หมายความว่ามันสามารถเข้าใจสภาวะท่านใช้คําว่าเมนโทมาโทริตี้อ่าคือหมายความว่าวุฒิภาวะทางจิตเนี่ยมีสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงสภาวะได้ทําที่ละเอียดประณีตลึกเนี่เข้าใจได้ อาจารย์มนคนงงไหมความว่าอย่างไรนะอันนี้ก็จะดูเป็นคนคนไปในช่วงสอบอารมณ์นะคร่าวๆะนะจำได้ไหมคุณวิชยัยว่ากลุ่มเก่าทั้งผู้ชายก็สอบอารมณ์ที่อาคารนู้นข้างนอกก็จะมีชานออกไปเป็นที่ระเบียงนะตรงนั้นเป็นที่สอบอารมณ์ตรงตรวมผู้ชายคนใหม่ของเราก็มีสองเนาะเพราะนั้นคนเก่าของเรากัคุณวิชยัยรวมไปจุก เก็บอารมมาหลายครั้งเลยยยมโจกห้าครั้งได้ในวันเกี่ยวลเข้มเนาะไปว่ทาทํากี่ครั้งแล้วหลายครั้งแล้วน ะ, ะแล้วก็ที่แผล อ, อีกแล้วก็ยมอะอะไรหน้าเหา็นหน้าเดียวมั้ยมพรรษาปีนี้เข้าพรรษาไหอไม่ต้องไปไหนนะเข้าพรรษาเขามดเล่าแต่เรามดเว้านะมดเว้ากับมดเล่านะ คือไม่ว่าวกันไม่พูดกันนะเขาพิสายะไม่พูดเขาไม่พูดเล่าอันนี้ก็จะไปตามลําดับนั้นเอาละที่นี้เรามาพูดถึงเรื่องศีลก่อนที่เราเพิ่มีมิกิสมร翰ศีลไปแล้วนะศีลมีสองระดับในภาษาหลวงเทียนศีล ส, สังคมกับศีลปรมัตดศีล ส, สมมุติก็คือศีลสังคมศีลปรมัดเอามาไ ฟ, ฟังหลวงพ่อเทียนครั้งแรก เอาก็งงเอ๊ะทาไมหลองพ่อพูดแบบนี้ถ้าก็ย้ําบ่อยด้วยนะเอ๊แสดงว่ามีความสําคัญนะท่านบอกว่า เ, เราเนี่ยส่วนใหญ่รักษาศีลแต่ศีลเลยมารักษาเรามัวไปรักษาศีลแตนะ่ถ้าถ้าศีลที่ถูกต้องศีลต้องรักษาเราเนี่ยเอามาก็ฟังเอ้ยมันยังไงกันแน่อย่างสมมุติข้อที่หนึ่งอะปาณาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ ท่านบอกระดับเราเรานักปฏิบัตินักบวชเนี่ยมาเพื่อการละเว้นสิ่งนี้โดยตรงแล้วอย่ามาทำค่าสัตว์อะไรกันอีกเพราะฉะนั้น อ, อันนี้เป็นศีลสังคมท่านบอกว่าสําหรับคนที่ไม่เคยภาษีภาษาเรื่องนี้อย่างห้ามเรงนั้นอยู่แต่ศีลในพวกเราเป็นต้องเป็นศีลใจศีลประมัตดคือไม่ค่าสัตว์หนึ่งไม่ค่าสัตว์อย่าง ของตัวเองว่าตัวเองตั้งใจจะทำอะไรต้องทำเรื่องนั้นให้ได้จริงจังสองไม่ฆ่าศรัทธาคือความมีความเริมใสในวิธีการใดเราไม่เรียกว่าศรัทธาของเราจะต้องอมีความตื่นตัวอยู่เสมออย่าให้มันตายอย่าให้ฆ่ามันตายเพราะว่าพอพ อ, อยากจะปฏิบัติโอกคทำอย่างเต็มที่เลยมีศรัทธาวันหนึ่งมันหมดศรัทธาไม่เอาแล้วเลิก อันนี้เรียกว่าค่าศรัทธาไม่ค่าศรัทธาไม่ค่าสัจจะและไม่ค่าสัตยะสัจและสัตญาต่างกันนะสัตยะในความซื่อสัตย์ความตรงไปตรงมาไม่เล่เหลี่ยมไม่มีอะไรทีเ่เรียกว่าแผนหรือเลขอะไรต่างๆที่จะเข้ามาศึกษาเรื่องนี้แต่มีความซื่อสัตย์ในการที่ศึกษาตัวเองจริงๆนะ ห่านหมายถึงว่าอย่าฆ่าสัตว์พวกนี้อย่าฆ่าศรัทธาอย่าฆ่าสัจจะและอย่าฆ่าสัตว์ซื่อทั้งสามสัตว์เนี่ยอย่าฆ่านะถ้าฆ่านี้แล้วว่าอมันฆ่าตัวเองแหละมันนะฆ่าใจตัวเองเพราะฉะนั้นให้เว้นจากการฆ่าสัตว์สามประเภทนี้แต่แน่นอนไอสัตว์นี่พวกเราไม่ฆ่ากันอยู่แล้วใช่ไหมแต่อาจจะกินสัตว์บ้างเป็นเวลาฆ่สัตว์หรกินสัตว์ อันที่สองอไม่ลักทรัพย์ถ้าศ <c oughs> ีลสมมุติน่ยไม่ลักทรัพย์คนอื่นเนี่ยเข้าใจได้แต่ศีลปรามัดท่านบอกต้องไม่ลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์ของตัวเองหมายคาอว่าเรานี่มีทรัพย์อยู่แต่การที่เรานําทรัพย์ตัวเนี้ยซึ่งไม่ใช่เป็นของเราเท่านั้นเราหามาได้ในครอบครัวเพราะ น, นั้นคนที่มีส่วนในทรัพย์นี้ตั้งแต่ลูกเมียภรรยาสามีพ่อแม่ ในครอบครัวเนี่ยมีส่วนในทรัพย์ที่เราหาไม่ได้เพราะนั่นการที่เราจะเอาทรัพย์ไปใช้จ่ายโดยที่คนในครอบครองเราไม่เห็นด้วยคนครอบครัวไม่ได้ประโยชน์เราเอาไปใช้จ่ายคนเดียวเช่นไปเล่นหวยไปเล่นไพ่หรือไปซื้อเหล้ากินเนี่ยคนในครอบครัวไม่ได้กินด้วยกับเราคนครอบครัวไม่ได้เล่นด้วยกับเราอันนี้ถือว่ารักทรัพย์ของตัวเองรักทรัพย์ของคนในครอบครัวออันนี้ประเภทหนึ่งนะรักทรัพย์ที่ที่เป็นวัตถุอันที่สองคือ ลักทรัพย์ที่เป็นปัญญาเดี๋ยวนี้เขามีกฎหมายห้ามเวยน ะ, ะนะแล้วเมื่อลิกฤติทางปัญญาใช่ไหมลักทัพย์ทางปัญญ า, า, ญญานั่นหมายความว่าคําสอนใดๆที่พุทธเจ้านำมาสอนคือเป็นทรัพย์ของพระศาสน า, ศาและคําสอนใดๆที่ครูบาอาจารย์นํามาสอนเป็นทรัพย์ของครูบาอาจารย์นั้นๆเป็นอริยทรัพย์และอริยทรัพย์นี้เรา เอาคำสอนครูบาอาจารย์มาก็ดีเอาคำสอนของพระศาสดามาก็ดีเนี่ยท่านบอกว่าเรายืมมาลงทุนยืมคำสอนของท่านมาลงทุนเมื่อเราได้กำไรแล้วเนี่ยให้เอาทุนนี้คืนท่านไปแต่เราเอากำไรที่เราหามาได้ตรงนี้เป็นของเราละนี่เป็นทรัพย์ของเราละเราฟังคาสอนครูบาอาจารย์คำสอนพระพุทธเจ้าแล้วจาเอาไปสอนอทังท่านที่ตัวเองไม่ได้ไปลงทุน มันยังไม่ไเกิดกําไรแต่เอาคําสอนนั้นไปสอนต่อเลยโดยที่คําสอนนั้นไม่เกิดขึ้นในตัวเองคือยังไม่เกิดเป็นกําไรนั้นเราเรียก ว, ว่ารักทรัพย์ธรรปัญญาโอ้มาถึงข้อ น, นี้จะมาน่าคิดมากเลยนะ่หลวงพ่ อ, อเทียนบอกว่าเนี่ยเอาคําสอนตัวเองยังเอาคนอื่นมาคำอื่นจํามาสอนแล้วตัวเองยังไม่มีในตัวเองแล้วไปสอนคนอื่นต่อเนี่ยถือว่าเป็นบาสนะรักทรัพย์ตอนแรกเราก็เข้าใจไม่ได้ใช่ไหมเอาคําสอนที่มีทั่วไปใครจะมาปฏิบัติใครไ ป, ไปสอนต่อ บอกว่าพระทั่วไปนักเทศทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ได้ปฏิบัติจนเห็นรู้แจ้งเห็นจริงตัวเองพวกนี้เป็นปาลชิโอลพราะเห็นว่าแรงนะเป็นปาลชิกก็ลักทรัพย์โอแรงมากเลยเนะพราะนั้นเข้ามากา็เอมันเข้าใจยากนะหลวงพ่อแบบนี้มันเป็นบุญธรรติเกินไปหรือเปล่านะนหมายก็ว่าเราเอาคําสอนคนอื่นมาแล้วไปสอนต่อเลยโดยที่คําสอนที่เราเอามาเนี่ยยังไม่ได้พิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงนะเพราะนั่นคือคําสอนที่เกิดจากคนนั้น แต่คุณมาปฏิบัติอาจจะไม่ได้ตามนั้นเพราะมันไม่ใช่ตัวของคุณมันคนละคนกันแต่ถ้ามันจะเป็นตัวของคุณเมื่อไหร่ตอเมื่อเราเอาคำสอนที่ท่านสอนเราเอามาทำดูแล้วจนกระทั่งคำสอนนั้นได้เกิดผลกับตัวเองก่อนเออจริงอย่างนี้เราก็ได้ผลทำให้เราหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยได้จริงๆตามที่ท่านว่า การที่เราเอาประสบการณ์เอาคําสอนมาปฏิบัติแล้วเกิดประสบการณ์ด้วยตัเองเอาประสบการณ์ของเราเองไปสอนต่อตรงนี้ถือว่าได้บุญเพราะว่าเราได้กําไรจากที่เอามาจากคําสอนของอาจารย์แต่นํำมาวิสูจน์ด้วยตัวเองพอวิสูจน์ด้วยตัวเองเห็นแจ้งรู้จริงด้วยตัเองแล้วเอาประสบการณ์ที่เราได้รับจากพระสอนไปแชร์ต่อคนอื่นตรงนี้ถือว่าเป็นการให้ธรรมทานได้บุญมากนะแต่ถ้าหากว่าคําสอนนั้นเราเอามาแล้วยังไม่ทัน เอามาปฏิบัติให้เกิดประสบการณ์ให้เกิดผลกับตัวเองแล้วไปแชร์ต่ออย่างนี้ไม่ใช่อันนี้สีลข้อสองของท่านนะเอาฟังตอนแรกออกมาว่าขัดขัดอยู่นะนะไอ้หลวงพ่อตีความไปเองหรือเปล่าเราเรานี่ยังคิดคิดอยู่ทีนี้ข้อที่สามห้ามประพฤติผิดในกรรมตามสมมติเราเข้าใจได้ไม่ล่วงละเมิดในสิทธิขอ ง, องผู้อื่นแต่ของเราเข้าใจศีลข้อนี้ยังแคบไป หมายถึงว่าไปผิดลูกผิดเมียผิดผัวเขาเนี่ยผิดสินข้อสามการเมสุมิฉาจานันเป็นศินสังคมแต่ในแง่ของศินข้อนี้ท่านที่เป็นสินพรหมจันทร์แล้วท่านหมายถึงแต่ในแง่ของสมมุตินะเช่นการผิดลูก ผ, ผิดผัวยังไม่ถ้าสมมุติว่าเราไปยืมเงินเข้ามาเราไม่จ่ายคืนเขาอันนี้ละเมิดทรัพย์ของเขาผิดสินข้อนี้เหมือนกันหรือเราเห็นของ เข า, าที่เขาลักเขาหวงแล้วเรายืมไปใช้โดยที่ไม่รับอนุญาตไม่ได้ตั้งใจขโมยแต่ว่าถือละเมิดในสิทธิของอื่นก็ผิดสินข้อสามอย่างนี้ยหรือเขาเห็นเสื้อผ้าเขาสวยน่าใส่ก็เอาไปใสเนะี่ยจะไปของพี่ของน้องของญาติเขาจำนะโดยที่ไม่รับอนุญาตและเราละเมิดในสิทธิอันนี้ก็ผิดสินข้อสามเพราะฉะนั้นศินข้อสามที่ในแง่ของสังคมนั้นไม่ได้หมายถึง ะละเมิดในเรื่องเพศเรื่องวัยเท่านั้นแต่ละเมิดในสิ่งของเครื่องใช้ที่เขารักของห่วงด้วยแต่จะจะไม่เป็นการรักขโมยโดยตรงแต่ถ้าเป็นการเอาโดยตรงโดยที่ไม่บอกแล้วก็เอาไปเลยนี่ก็เป็นผิดสี่ข้อสองใช่ไหมแต่อันนี้ยืมไปใช้เอาไปใช้โดยเจ้าของเขายังรักยังหวงอันนี้ถือละเมิดนัผิดศี่ข้อสนะในแง่ของสังคมนะมีสองนัยยะแต่ในศีลข้อสนี่พอมาเป็นภาคปฏิบัติ ทางด้านปรมาจัทานทร์ใช้ว่าเป็นพรหมจรรย์นั้นเวลาเราสมาทานศินข้อนี้ใช้าอาพรหมจริยาไม่ใช่การมีชมิชานะอพรหมจริยาเวรมณีและเราจะสมาทานงดเว้นจากการกระทําที่ไม่ใช่พรหมจรรย์หมายขางว่าคนเราจะอยู่ได้ด้วยเนี่ยพรหมจรรย์พรหมจรรย์แปลว่าความบริสุทธิ์ในแง่ขนหมายถ้าคนไหนที่บริสุทธิ์เขาขนหมายเขาก็ ต้องพิสูจน์ว่เป็นผู้บริสุทธิ์จริงเขาก็ยกโทษให้ใช่ไหมคนนั้นเป็นพรหมจรรย์อยู่หรือผู้หญิงสาวที่ยังไม่ถูกล่วงละเมิด เ, เขาเรียกว่าเป็นหญิงพรหมจรรย์เป็นหญิงบริสุทธิต์ตลอดถึงพระที่ไม่ไม่ได้ละเมิดผิดศีลผิดวินัยท่านก็รักษาพรหมจรรย์เนี่ยพระพรหมจรรย์แปลว่าความบริสุทธิ์เฉพาะตัวก็มีสองประเภทนหนึ่งอาทีิพรหมจรรย์สองตัว สัพพรมจริย์หรือสัพพรมจริย์อาธิพรมจริย์หมายถึงคําสอนต่างๆเรื่องศีล2องยยีศีลห้าศีล8ดศีล2องพวกนี้ถ้าใครสมาครฐานได้คนนี้มีอาธิพรมจริย์คือพรมจริยค์ยความบริสุทธิ์เบื้องต้นรักษาได้ทั้งศีลสังคมเนี่ยเป็นอาธิพรมจริย์แต่ถ้าหากคนไหนรักษาศีลในภาคปฏิบัติรักษาใจได้ไม่ให้ใจไป ละ เ, เมิดล่วงเกินโดยวิธีใดในแง่ของความโรคความโกรธความหลงจนกระทั่งให้จิตเศร้าหมองจิตไม่บริสุทธิ์แต่เรารักษาจิตของเราให้สะอาดได้ในบางครั้งบางเวลาในช่วงนั้นเราก็มีพรหมจรรย์บางช่วงเรารักษาจิตไม่ได้และจิตของเราเลอะเทอะเปื้อนไปด้วยความโรคความโกรธความหลงบางครั้งมีโมลมูนทินเข้าไปในจิตใจขณะนั้นพรอาจรรย์ของเราก็ไม่บริสุทธิ์ แต่ในช่วงหนึ่งเมื่อใดเรามีสติปัญญาเข้าไปชำระจิตให้สะอาดตรงนั้นพรหมจรรย์ของเราบริสุทธิ์ขึ้นมาอีกในลักษณะนี้เราจะรู้โดยตนเองว่าพรหมจรรย์ของเราบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นะนั้นศีลพรหมจรรย์มีสองระดับอาทิพรหมจรรย์และก็สัพพรหมจรรย์หรือว่าปรมัตถพรหมจรรย์ซึ่งที่เรามาปฏิบัตินี้เราใช้พรหมจรรย์นะอาทิพรหมจรรย์นี่ทุกคนผ่านมาละก็คือรักษาศีลห้าศีลแปดสองแลเดนี่ ในตามระดับของสังคมของเราเรามีสินห้าบริสุทธิ์สินแปดบริสุทธิ์ก็ถือว่าเรามีอาธิพรหมจรรย์แต่ในแง่ของสะพรหมจารี์พิสัพพรหมจรรย์หรือปรมาทพพรหมจรรย์ยังไม่แน่เพราะบางครั้งเราก็บริสุทธิ์บางครั้งก็ไม่บริสุทธิ์มันไม่บริสุทธิ์ตอนไหนรู้ไหมโยมจวบใจของเราเนี่ยตอนไหนเออในจงสอบแล้วนะ่นนี่นะ โยมไม่ใย่สิเราสูญเสียภูมิจันทร์ตัวไหนนักปฏิบัติถ้ากิาาเลสเข้าครอบงำจิตเศร้าหมองมันก็สมันก็ไม่ได้มันกว้างไปนะเอาแคบกว่านั้นน่อสิตอนที่เราพอใจไม่พอใจนั่นแหลพภูมจันทร์เราเศรา้าหมองตอนนั้นแหละ ย, ยังมีอยู่ไหมเออนั่นแหละเราจะว่าพรูมิจันทร์เรายังไม่บริสุทธิ์ทีเดียวแต่มันก็บริสุทธิ์ได้ตอนทีเมื่อเกิดอะไร เกิดสติรู้ตัวเนาะก็ตั้งต้นกันใหม่ทีนี้เราจะเมนเทนรักษาตัวสตินี่ไว้นานแค่ไหนจะขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของสติแหละเพราะฉะนั้นพรหมจรรย์ในแง่ของสัพพรมจรรย์นั้นขึ้นอยู่กับกําลังของสติสัมปชัญญะถ้ากําลังสติเป็นยายเข้มแข็งสามารถรักษาสภาพจิตให้คงที่ได้นานเท่าไหร่ในแต่ละขะนาดท่านทัดเปรียบไว้อย่างนี้นะว่า ในพระโสดาบันเนี่ยในแต่ละขณะสามารถรักษาจิตให้บริสุทธิ์ได้ถึงยี่สิบห้าเปอร์เซนพระสกิธาคามีสามารถรักษาความบริสุทธิ์จิตได้ห้าสิบปอร์เซพระอนาคามีสามารถรักษาจิตให้บริสุทธิ์ได้ถึงเจ็ดสิบทุกแปดสิบปอร์เซนต์แต่พระอาหารรักษาจิตได้ในตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็วัดตัวเองได้ละห้าสิบยี่บ้าปเซ็นแค่ไหน อดูช่วงเวลาบางวันบางวันโอ้รู้สึกประเมินดูแล้วเราจิตเนี่ยสบายเป็นส่วนใหญ่นะจิสบายจิตสงบแล้วก็จิตสะอาดเป็นช่วงๆรวมๆกันแล้วเนี่ยได้25เปอร์เซนต์แต่บางช่วงมันก็มีเส้นหมองมันคิดปรุงแต่งไปแล้วก็ดูๆไปถ้าเป็นช่วงยาวทั้งวันเนี่ยมันยาวไปประเมินยากใช่ไหมเอาครึ่งวันก็ยังยากอยู่เอาชีได้ชั่วโมงก็ยังยากอยู่ เอาทีละนาทีน่าจะง่ายกว่านี่หนึ่งนาทีเนี่ยหกสิบวิเนี่ยเราสํารวจ ด, ดูจิตแต่ละขณะเนี่จิตเขารู้สึกเป็นไงสบายหรือไม่สบายถ้าจิตรู้สึกสบายสักยี่เปอย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่จับตรงนี้นิดแต่ไนะม่หน่อยรวมๆแล้วได้ยีิห้านาทีอันนี้ไม่ใช่นะแต่ท่องต่อเนื่องในในหกสิบนาทีเนี่ยเราได้ละยี่สิบห้านาทีสบายต่อเนื่อง ต้องด้วยสติสมัมปชัญญะนะนั่งเข้าฌานอย่างลึกเลยนะเป็นชั่วโมงเนี่ยถือว่าพรหมจรรย์สะอาดทั้งชั่วโมงได้ไหมถ้าเกิดคนนั้นได้สมาธิจิตแล้วไปเสพไปเสพความสุขในสมาธิไปเสพสุขในในในตัวละเอียดตัวนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ไหมมันก็เพลินในความสุขอ่าเพลิน ค, นความสุขเศ้าหมองเลยใช่ไหมอ่าเนี่ยยังนั้นพระพรหมจึงไปอริยะไม่ได้เนี่ย เพราะไปติดในความสุขจิตเศร้ามองด้วยความพอใจเพราะจิตเศ้ามองในสองกรณีเศร้ามองเพราะความพอใจและความไม่พอใจความพอใจความยินดีในฌานแต่ในกรณีที่เป็นปีติสัมำพุชงไม่เป็นนะปีติสัำพุชนหมายความว่าจิตนั้นโปร่งเบาสบายเป็นปีติแต่ว่าไม่แช่ไม่เสพรับรู้อยู่ว่าเอออย่างนี้มีแล้วก็เป็นกําลังให้ประพฤติปฏิบัติในทางขั้นสูงขึ้นได้ง่าย แต่ถ้าเป็นปีติในองค์ชาญเนี่ยยังมีมูนทินอยู่เพราะอะไรเพราะว่ามันจะต้องขึ้นขึ้นลงลงันหนึ่งสันสองสันสามสันสี่ 3, สใช่ไหมแต่ในปีติปสัสสติในสบมบูชงมันไม่มีเชนหนึ่งนใดมันมีความโปร่งเบาสบายแล้วก็ชุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ทําให้ทําความเพียรได้มากขึ้นทําให้ทําความดีได้มากขึ้นทําให้กําลังใจมากขึ้นทําให้มีปีติในการที่จะรักษาจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยให้ได้มากที่สุด แต่บางครั้งเราก็ต้องยอมให้เศร้ามองเพราะอะไรเขามีความจำเป็นใช่ไหมเช่นเรายังไม่ได้บวชเนี่ยต้องไปประกอบหน้าที่การงานไปเจอคนที่เข า, เามีความคิดมีอารมณ์ประเป็นวิชาทิฐิเนี่ยลราก็มาพูดอะไรระลบกประล ว, วงจูงจาบเราโดยที่ไม่รู้กาลเทศะนี่นะเราก็จะเป็นต้องป้องกันตัวเองในขณะนั้นจิตเราอาจจะจ้างเศร้ามอง เพื่อป้องกันตัวเองเราอาจจะต้องปรามเร า, า จ, จะพูดคําที่แรงหรืออาจจะรักษาตัวเองด้วยวิธีการใดก็ตามต้งดังนั้นความคนที่จิตเป็นอริยะแล้วเนี่ยจะไม่ติดในความยินดีหรือไม่ยินดีแต่พร้อมที่จะใช้ความพร้อมที่จะใช้ความยินดีและความไม่ยินดีให้เป็นประโยชน์พร้อมที่จะใช้ความบริสุทธิ์และความเศ่้าหมองให้เป็นประโยชน์เพื่อรักษาจิต อันนี้เข้าใจได้ไหมเอาละ่ะพ่อแม่เนี่ยรักลูกมากที่สุดใช่ไหมบางครั้งพ่อแม่โกรธเพราะลูกมีไหมแล้วทําไมต้องมีความโกรธ ด, ด้วยถ้ารักจริงอย่างอ่าใช่ไหมง่ายๆแต่บางครั้งพ่อแม่จําเป็นต้องแสดงอารมณ์เพื่องั้นลูกไม่เกรงงั้นลูกไม่กลัวใช่ไหมเป็นเหตุให้เขาทําอะไรที่ไม่ดีต่อไปอันนี้หรือบางครั้งเราต้องแสดงความเศร้าหมอง แสดงอํานาจแสดงมณทินให้เขาดูว่าฉันก็ไม่ใช่คนธรรมดาถ้าแกจะมาทําอะไ ร, ะไรไไแต่เราแสดงนี่เรียกว่าใช้ความออย่าใช้ความชั่วเขาหนักไปเนาะใช้ความเศร้าหมองให้เป็นประโยชน์เอหรือลูกเนี่ยมันโซนมันดื้อด้านใช่ไหมเราก็จะเป็นต้องตีต้องอะไรให้เขาเข็ดเขหลับแต่ถามว่าตีด้วยความโกรธไหม ไม่ได้ดีด้วยความโกรธดีด้วยอุบายซึ่งลักษณะนั้นจิตแล้วอาจจะเศมองนิดหน่อยแต่ชำระได้เข้าใจได้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นลักษณะนี้เรียกว่าเข้าสู่อริยภูมิเนี่ยพร้อมที่จะใช้ความดีและความชั่วให้เป็นเครื่องมือเพื่อรักษาตัวเองใช่ไหมไปเจอคนดีแล้วก็ใช้ความดีไปเจอคนชั่วแล้วก็ใช้ไม่ใช่ความชั่วตอกนะไอการไอปรีเทนหรือการอาพรางตัวเองอ่ะใช่ไหม พลางตัวเองหรือทําเป็นโกรธทําเป็นขึงขังทําเป็นอเหมือนรู้ว่าเราเราโกรธจริงอะ่ะแต่ความจริงลึ ก, ล, กลึกเราไม่ได้ทําแต่มันจะเป็นต้องแสดงเมื่องั้นเราก็จะอยู่ในสังคมนี้ไม่รอดนี่รียกว่าใช้ให้เป็นประโยชน์นะอย่างหลวงพ่อพุทธทานมีครั้งอาจารย์โควิดเราอาจารย์โควิทดติดอารมณ์ของพ่อมากเลย <c oughs> พเพราะอะไรเพราะสมัยนะั้นโสดโมกยังไม่ได้ร้องรั้วนี่นะชาวบ้านปล่อยโว่เปิดค ล, ลากันนะู่นน่นเข้า เหยียบต้นไม้เหยียบอะไรในบริเวณท่านท่านก็ได้ไม่เท้าเช่นอันไปเท้าไปเท้าเอวด่าชาวบ้านเย่งเยงเลยว่าด่าเจ้าของโบควายที่มันปล่อยควายเข้าวัดนั่นแหละโอ้เช่นอย์กูวิจติดอารมณ์เลยว่ไอหลวงพ่อไปด่าชาวบ้านได้ไงเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยบางคนเข้าใจไม่ได้นะแต่ถ้าอยู่ไปนานๆเราถึงจะรู้อ๋อท่านทานี้เพื่ออะไรก็เหมือนพ่อแม่บุญดาว่ากล่าวเราทุกครั้งอะถามว่าท่านโกรธไหม ท่านก็ไม่โกรธแต่ท่านทําหน้าที่ของท่านใช่ไหมหรือไปพูดกับคนที่มันสติไม่ดีประสาทไม่ดียอยพูดดีๆไม่รู้เรื่องต้องใช้การดุดา่าอมันถึงจะฟังอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าใช้ความอุบายอ่าใช้อุบายกุศโลบายในพุทธศาสนามาเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งว่ามาเคยไปอยู่ที่สันีลังกาเนี่ยสมัยนั้นไปท่าหางในช่วงซัมเมอร์เนี่ย มหาไรเข้าปิดเอามาก็ไปอยู่ที่เกาะไปภาวนาที่เกออาะไอแลนด์ทางประเทศด้านภาคใต้ของจังหวัดกอในศรีลังกาที่ตรงนี้ก็มีพระชาวต่างประเทศอยู่ด้วยกันเยอะเอามาก็ไปก็ไปเจอวายศกคนหนึ่งเขาเป็นพระขาวเคยบวชอยู่ที่อินเดียมาสามสี่พรรษาแล้วเป็นคนชาวไอริสที่นี่เห็นว่าเราเป็นถิรวาตเขาเข้ามาถามว่าคุณรู้ไหมคุณบวชมานานเนี่ย แก่นแท้ของพุทธศาสนาคืออะไรเราก็ตอบไปตามที่เรารู้ว่าอ ร, ริสัตย์สีมั่งมีองค์แ ป, ปดพุทชงเจ็ดอะไรทำนองนี้เขาบอกไม่ใช่แล้วแล้วมันอะไรนะ่ะเขาก็ไม่ได้ตอบทันทีนะจนกระทั่งวันหนึ่งที่เราจะต้องออกมาจากก่อนเนขะาเขียนเป็นคำเล็กๆในอ่อดเดตในไ อ, นอ้นามบาททัตรังเขาอะนะรียาบริสุบิสคิวอินมีนสคิวอินมีน เข้าใจได้ไหมภาษาอังกฤษน้องแคทสกิลอินมีนแปลว่าอะไรสกิลแปลว่าทักษะแปลว่าฉลาดใช่ไหมอินมีนเติมเอสโชว์มีนที่ es, เติมเอสแปลว่าอะไรแปลว่าอุบายและวิธีการใช่ไหมสกิลอินมีนแปลว่าฉลาดในการใช้อุบายมันตรงกับคาว่ากุสโลบาย โอนานก็ามาันจะเข้าใจคําตีแต่คํานี้แตกได้นะเพราะมันก็คือครศสโลบายคือคูสุนทรจิตนั่นเองคนที่มีกุศลรกิตใช้กุศลให้เป็นอาจจะดูเหมือนไม่ใช่คนดีแต่เป็นคนที่มีปัญญาแต่ใช้อุบวยที่ดีหลวงพ่อพุทธทาสท่านเคยว่าท่นนี้ว่าเออแม่เลี้ยงเด็กเล็กอยู่ข้างๆตัวเองกํำลังขายของพอดีเหรียญมันตกเด็กก็ จับใส่ปากปับ๊บเกือนเหรียญติดคอลูกทำไงลวงก็ไม่ออกเอาน้ำกดเทกรอคอลูกให้เหรียญมันหลุดออกมาเออลูกนี่เดียวคอเจอคอแดงคอเป็นเลือดออกมาไงก็ต้องยอมเพราะต้องการรักษ า, าชีวิตลูกถามว่าแม่ทำโหดไหมจำเป็นต้องทำถ้าไม่ทำไปไงลูกตายลักษณะนนอย่างนี้หลวงพ่อุทเทนเปรียบเทียบนะ บางครั้งเพื่ช่วยให้เขารอดก็จะเป็นต้องโหดเพื่อลูกให้ดีเนยต้องตีให้หนักสมัยก่อนใช่ไหมรักัวให้ผูกรักลูกให้ตีแต่สมัยนี้ตีได้มหมย้ำจว <c oughs> อันนี้นะมันผินดอันนี้ก็เหมือนกันการใช้อุบายลักษณะอุบายการอุบายในการเอากิเลสออกจากใจของตัวเองจะออกตรงๆไม่ได้พวกสมถารถานเอากิเกลสออกตรงๆรมันออกไม่ได้ต้องใช้อุบาย อ, อุบายในการเอากิเลสออกใช้อุบายอย่างไรอันนี้คือเรามาปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดสโลบายเพื่อให้เกิดกุศลว่าซึ่งสารพัดเหลี่ยมสารพัดมุมที่เราต้องใช้จัดการกับใจของตัวเองใจงตัวเองกิเลสมันฉลาดมากเท่าไหร่เราก็ต้องฝึกฝนปัญญาให้ฉลาดมากเท่านั้นความจริงกิเลสกับปัญญาว่าลึกๆแล้วมันก็ตัวเดียวกันนะใช่ไหม แต่ว่าเมื่อไหร่มันพลิกหัวพริกท้ายเนี่ยปลาที่เรากินทุกวันกับปลาที่มันอยู่ในคลองอะตัวเดียวกันไหมใช่ไหมมันวิ่งอยู่ในคลองเพิ่งจับมันมามาเป็นมาต้มมาเป็นก็ตัวเดียวกันนะ่ะแต่ที่มันปลาที่จับมาใหม่ๆหเป็นไงมีทั้งขี้ทั้งกางทั้งเก็ศทั้งเลือดทั้งข่าวกินไม่ได้ใช่ไหมแต่พอมาปรุงเสร็จแล้วเป็นอาหารที่อริดอร่อยเพราะฉะนั้นปลาที่ยังไม่ได้ปรุงเขาเรียกว่ามิจฉาปัญญาปลาที่ปรุงแล้วเขาเรียกสัมมาปัญญา อ่าลักษณะอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ามาปฏิบัติเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงมิจฉาสติให้เป็นสมมาสติเท่านั้นเองเปลี่ยนมิจฉาปัญญาให้เป็นสมมาปัญญาเพราะฉะนั้นอุบายในใช้ในการเพื่อประโยชน์เอาประโยชน์ของตนเองประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองอันนี้ก็เป็นมิจฉาปัญญาใช่ไหมแล้วทาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันนี้เป็นสมมาปัญญา คือเรียกว่ากุสโลบายนะดนั้นที่เราปฏิบัติเพื่อให้ได้กุสโลบายมาเพื่อที่จะเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเองต้องใช้ปัญญาพรดฉะนั้นเองก็โพ่อเทียนบอกว่าคุณจะทําอะไรก็ได้ขอให้เกิดปัญญาสัมมาปัญญานะถ้าเป็นมิจฉาปัญญาก็ไม่สนับสนุนเพราะมิจฉาปัญญาคือการทําลายตัวเองแต่สัมมาปัญญานี่คือการสร้างความสุขความสงบความบริสุทธิ์ให้กับตัวเอง ดังนั้นผู้ทศศาสนาคือศาสนังคนมีสัมมาปัญญาไม่ใช่บิชาปัญญาแล้วก็เอาปัญญาด้านมาชําระดังนั้นเองในจุดนี้ท่านจึงกล่าวพูดถึงเรื่องอีซีห้ามาว่ามีศรัทธามีวิญญาสติสมาธิปัญญาดังนั้นเบื้องต้นให้มีศรัทธาและให้มีปัญญาทั้งสองอย่างเนี่ยส่วนที่จะดึง ตัวปัญญาศรัทธาและถึงปัญญาได้อย่างไรก็มีองค์ประกอบภายในทั้งสี่ตัวอีกสามตัวก็คือริยะสติสมาธิจะเชื่อมศรัทธาและปัญญาเข้าถึงกันอืมเพราะนั้นเองก็ <c oughs> ในช่วงภาวนาอามาก็ถึงบอกว่าเราจะต้องลำดับไปเส้นทางนวเทียนเนี่ยถ้าลำดับไปอย่างไรทางเบื้องต้นที่สุดให้รู้จักตัวเองก่อนรู้จักตัวเองก่อนโยม มาจากไม่สอนหรือยงเทพไม่สอดใช่ไหมถามว่ารู้จักตัวเองหรื อ, อยังยังโยมเพิ่งมาใหม่เมื่อนกันใช่ไหยังไม่เคยมาวิธีนี้นะถามว่ารู้จักตัวเองหรื อ, อยังรู้จักใบบางส่วนครับเช่นเชนส่ว น, นไหนบ้างจริงก็คงมืนแบบธรรมดาในชีวิตธรรมดา อันนี้คือรู้จักเองในสองระดับนะหนึ่งรู้จักตัวเองในลักษณะมิจฉาสติสองรู้จักตัวเองด้ยวยว่าสัมมาสติมีสองระดับนะแต่เรามาที่นี่เราต้องการมารู้จักตัวเองในนามของสัมมาสติเช่นว่าโยมถามว่าโยมชื่ออะไรชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ ทำงานอะไรตาแหน่งอะไรเป็นลูกเต้เารอใครสามีภรรยาชื่ออะไรมีลูกอีกคนนี้รู้จักกันหมดลักษณะที่เรารู้จักแบบสมมติก็ถือว่ายัางเป็นมิจฉาสติอยู่คือมันยังไม่ถูกนะเพราะอะไรเพราะเราไปแตะต้องสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะผิดขึ้นมาถ้าแตะต้องในทางไม่ถูกนะแต่ถ้ารู้จักในแง่ของอส ม, มาสติโยมเป็นอะไร เป็นคนก็รู้เราเป็นคนนะแต่โยมไม่ใช่คนแต่โยมเป็นรูปเป็นนามอ่าเป็นรูปเป็นนามอออันนี้มันถ้าสมมติเป็นรูปเป็นนามคนใหม่ยังไม่เคยได้ยินก็ไม่เข้าใจใช่ไหมเป็นรูปคือรูปนี่หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นรูปทั้งหมดเลยย่อแล้วเรียกว่ารูป แต่ในส่วนที่เป็นนามคือความรู้เนื้อรู้ตัวคําว่าใจเนี่ยถ้ามันยังมีรูปอยู่ mm. เขาเรียกวานามวารูป mm. ก็ยังเป็นรูปอยู่นะแต่ใจอีกอันหนึ่งที่มันไม่มีรูปอยู่เลยเนีย่เขาเรียกว่าญาณ mm. คือตัวรู้อันนี้เป็นนามละเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยมันมีถึงหแต่นามมีเพียงหนึ่งหนึ่งนี่ก็แยกมาจากนามนั่นแหละแยกมาจากใจใจมีสองลักษณะ ลักษณะที่ยังมีรูปอยู่เรียกว่านา ม, มารูปลักษณะที่ไม่มีรูปเลยก็เรียกว่านามรุนๆนะเราก็ต้องมาแยกนี่ออกในนั้นคาว่ารูปนามก็จึงเป็นถ้าใครรู้จักได้อ๋ออันนี้เป็นรูปนามนะแล้วกลับไปบ้านเที่ยวนี้เมื่อก่อนเ น, นี่ยพญาบ่นพ่อแม่บ่นเนี่ยเกิดงุนงิดเลยนะรับไม่ได้แต่กลับไปเที่ยวนี้ฟังแล้วบ่นเฉย เพราะมันก็เป็นรูปเป็นนามไม่ใช่เราะบ่นให้รูปนามเนี้นี่เรียกว่ารู้จักรูปนามแล้วนะดีกว่าไหมนี่เขาเรียกรู้จักตัวเองแล้ะเพราะที่เขาบ่นมาเมื่อกี้มันเป็นรูปอะไรรูปของอะไรรูปของเสียงใช่ไหมหูของเราก็เป็นรูปอันหนึ่งคือรูปของหูใช่ไหมเอารูปรูปต่อรูปกระทบกันไม่มีปัญหานะแต่เราจะไปสร้างรูปใหม่เขาเลยถ้าไปสร้างความไม่พอใจเป็นนั้เป็นนามมารูปแล้วใช่ไหมนามวารูปจะเล่นงานเราแล้วทีเนี้ย ที่นี่เรารู้จักรูปนามอ้รูปกัวรูปกระทบกันเขาไม่ได้ว่าเราเขาว่าลูกเพราะเรามันในแก้วแต่ลูกมันไม่มีชื่อ <c oughs> นี่คนเราก็เข้าใจสามาสติแหล ะ, ะกลับไปบ้านแต่สักพักผมไม่ได้ปฏิบัติวิชฉาสติกับมาใหม่ทีเนีต้ตอนกลับไปใหม่ๆนี่เข้าบน่นใครไม่ไม่โกรธใช่ไหมแต่นานๆเข้ามาได้ปฏิบัติเลาโกรธเหมือนเดิมอ้าวได้สามาสติไม่นานวิชฉาสติลกลับมาเข้าใหม่นี่เราถึงมาปฏิบัติ บ, บ่อยๆอย่างี้ยเพื่อใ ห, ให้ให้รู้จักนะ อย่างนี้เป็นต้นนะตัวอย่างนะว่าเออรูปนางคืออย่างนี้แหละยากไหมไม่ยากนะอออ่าเ<ม>ทํายากไม่ยากที่จะเข้าใจแต่ทํายากเนี่ยทำยา ก, นะยากนี่เป็นต้นทีนี้ในฝ่ายที่ปฏิบัติมานานเนียปฏิบัติมาหลายครัง้งเก็บอารมณ์ก็หลายคราวเขาก็ไม่ถามกันระดับนี้แหละเขาก็จะถามว่าอย่างนี้อะถามว่าตัวอย่างนะ โยมแม่ตีรู้จักนรกสวรรค์แล้วยังนรกสวรรค์เป็นปยังไงอยากจะไปกลัวนรกอีกไหมหรือยากจะไปสวรรค์อีกไหมเนี่ยถามวันนี้แม่ตีจะตอบว่าไง<อ> <c oughs> ก็รู้ว่าอยู่ที่ใจมันกว้างนะมันนึกเจาะเฉพาะลงไปถ้าไปตอบอ่างนี้ไม่ได้มาม่ให้คะแน น, นนะนะ <c oughs> มันกว้างเกินไปกํำปันทุกดินใครตอบก็ได้นะแต่มาถามนักบวชเนี่ยอ่ะยังกลัว ยังกลัวนรกอยู่ไหมยัง อ, อยากจะไปสวรรค์อยู่ไหมอะไรเนะี่ยถามเงี้ยโยมจะตอบว่าไงเพราะจึงไม่กลัวนรกเพราะอะไรจึงไม่อยากไปสวรรค์มันต้องมีเพราะว่า <c oughs> อย่างนี้เป็นตันนะคําถามนะถ้าตอบได้พวอเพ้อเนั้นโอหมายความว่าชัดเจนละนี่รู้ประมาทเพราะที่ไม่อยากไปนรกเพราะฉันรู้จากว่านารกมันอยู่ไหนต้องตอบว่าอย่างนี้ฉันจึงไม่กลัวอ่า ไม่อยากไปสวรรค์พ่อฉันรู้ว่าสวรรค์มันอยู่ไหนฉันก็ไม่อยากไปเพราะรู้ว่าฉันก็นไปทุกวันจะไปอยากมันทําไมอใช่ไหมตอบไปงี้เลยหายสงสัยไหมอ๋อหายสงสัยถ้าคนยังกลัวนรกอยู่ถือว่ารู้จักนรกแล้วยังยมต่ายังไม่รู้จักนรกเพราะยังกลัวอยู่ออย่างเนี้อยากไปสวรรค์อยู่กรแสนว่าไม่รู้จักสวรรค์เพราะว่าสวรรค์นรกมันมีอยู่แล้วอ่ะคุณจะไปตอนไหนล่ะ คุณอยากจะไปนรกก็ไม่ยากอ่ะหันหน้าไปด่าใครสักคนข้างหลังก็ได้เรื่องเลยแหละนรกมาทันทีใช่ไหมออยากจะไปสวรรค์ก็เอาชมเขาสันหน่อยคุณก็ได้ไปสวรรค์ทันทีอแค่นี้นรกสวรรค์ที่เป็นปรมัาทนะแต่ที่เป็นสมมุติไม่ต้องพูดถึงอ่ะพระุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนในใ น, ในเรื่องผลนะสอนเรื่องเหตุทําทั้งหลายเกิดแต่เหต <c> ุ <oughs> แต่ผลนั้น <c oughs> จะมีแบบไหนมันท่านบอกว่าผลเนี่ยมันเป็นเรื่องซับซ้อนมาก คุณแน่ใจมื่อคุณปลูกมองตัวนี้มันจะเป็นรูปภายในสามปีที่คุณคิดแน่ใจไหมคุณวิชัยไม่แน่ใจ เ, เพราะอะไรมันมีเหตุปัจจัยอื่นเยอะแยะเลยะใช่ไหม<ช>นะ<ช>นะเพราะฉะนั้นผลนี่หวังแน่นอนไม่ได้มันจะให้อะไรอะไรตอนไหนแต่เหตุนี่แน่นอนนะเหตุนี่แน่นอนมันจะต้องเป็นผลแน่นอนแต่มันจะเป็นต้นไหนไม่รู้อะออย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นคุณทําคำพอใจไม่พอใจทําได้แน่นอน แต่ความพอใจไม่พอใจมันจะเป็นนรกแบบสมมุติเมื่อไหร่นั่ไม่แน่นอนใช่ไหมเพราะนั้นทั้งบอกอย่าไปคิดหมดเลยถ้าคิดก็เสียเวลาเพราะมันยังเป็นอนิจจังอยู่แต่ที่แน่ๆคือรู้ว่าตอนนี้ยความพอใจเกิดแล้วนะความไม่พอใจเกิดนะมมใัดนนะี้แน่นอนท่านจึงรู้ที่เหตุของมันนะแล้นั้นเองก็ยึงอยากจะให้พวกเราเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะเพื่อที่จะเวลาเราเข้าใจชัดเจนเวลาเราไปทําแล้ว มันจะไม่ลังเลแต่ว่าแน่นอนสิ่งที่ดีที่สุดต้องมีอุปสรรคนั่งไปไม่ให้มันง่วงเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่ให้มันเบื่อเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่ให้มันเซงไม่ให้มันฟุ้งซ่านไม่มันขี้เกียจไม่ให้มันสงสัยเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ยากมันต้องมีถามว่าทําไมมันต้องมีคุณจวกตอบได้ไหมนั่นถามว่าทําไมต้องมีพวกนี้ด้วย ทั้งที่ตั้งใจมาทำในสิ่งที่ดีไอ้พวกนี้มันมาจะทำไงกับมันใช่ไหมเขยฮะกีเรียนเก่าๆอ่ะนะไม่ใช่สิถามว่ายมจวบไปหาหน่อไม้เออมันไกลไปไปซื้อทุเรียนมาลูกหนึ่งใช่ไหมเอาลูกแล้วทั้งทั้งเปลือกทั้ง เนื้อเลยนะมันจะเป็นซื้อเขาเป็นกิโลแกะเนื้อขายไม่ใช่ไม่เอานะซื้อกินหรถามว่ากินได้ทั้งหนุยทั้งลูกไหมผู้เรียนกินได้ทั้งลูกอหมส่วนหนึ่งเอาทิ้งใช่ไหมแต่เอาส่วนที่ทั้งหมดนันไม่ได้ชั้นใดก็ตามอารมณ์ดีและไม่ดีเนี่ยมันมาด้วยกันแต่ตอนใช้เนี่ยเราต้องรู้จักเอาเปลือกมันทิ้ง แต่การที่ไม่รู้จักเปลือกมันได้กินทั้งเปลือกมังคุดได้กินทั้งเปลือกเปไงโอ้โหมันจํารสมันมันไม่ได้เลยเหมือนกันอารมณ์ที่มันมากันมาทั้งลูกนะมันมาทั้งง่วงกับไม่ง่วงก็มาด้วยกันเบื่อก็ไม่เบื่อมาด้วยกันอแล้วก็ฟุ้งไม่ฟุ้งมันมาด้วยกันแต่เราจะแกะเอาเปลือกมันออกไหมเปลือกมันคือตัวไหนตัวที่เราไม่ปรารถนาหรือว่าเปลือก แต่ในตัวง่วงนะมีตัวไม่ง่วงอยู่ไหมมีอยู่แต่ทำไมบางคน อ, ออกไม่ได้แกะออกมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะขาดอะไรขาดปัญญาไม่ใช่ขาดสติถ้าหากว่าเราจะซื้อทุเรียนมาซื้อมะพร้ามาลูกหนึ่งนี่นะถ้าจะใช้มือเนี่ยแกะมะพร้าวนี่ไหวไหมไม่ไหวต้องมีอะไรมีมีเนะี่คือปัญญาไงอ่า อารมบางตัวเนี่ยเปลือกมันหนามากเหมือนมะพร้าวเหมือนทุเรียนแต่อารบางตัวเปลือกมันบางเหมือนนางุ่นเหมือนแอปเปิ้ลแก่นิดหน่อยจะหายใช่ไหมแต่บางตัวหูแก้แล้วแก่อีกมันไม่ยอมหายนะจะง่วงหรือเบื่อเสงอย่เงี้ยหูแก้แล้วก่อีกบางคนนึกพกผ้ากลับบ้านเลยนะแก้ไม่ตกบางคนาม่ยอมละนะอย่างนี้เป็นต้นความจริงแล้วไอ้ของดีกับไม่ดีมันมาด้วยกันมาจากต้นเดียวกัน มาจากลูกเดียวกันแต่ว่ามันมาพร้อมกันทั้งสองส่วนขึ้นมาทั้งสมมุติและประมัติมาทั้งลูกทั้งหนามนาแต่ว่าเราปฏิบัติธรรมเนเพื่ออะไรเพื่อที่จะแยกเอาส่วนที่ใช้ได้มาใช้ให้เป็นส่วนที่ใช้ไม่ได้ก็เาทิ้งไปแต่เราจะปฏิเสธเอาไมค้าซื้อทุเรียนลูกนึงนะนะเขาก็ยกให้ทั้งลูกเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไมค้ามันฉลาดทาไง มันก็แกะเอาเปลือกทิ้งเออแล้วก็เอาลูกมัใส่ถุงให้ใช่ไหมแต่ในกรณีที่เราจะมาเก็บไว้ก่อนเรายังไม่ต้องทานวันนี้ใช่ไหมเราก็ซื้อทั้งลูกใช่ไหมอันนี้ก็มีเงื่อนไขอีกน ะ, ะแต่ทานเดี๋ยวนี้ยเขากแกะให้เลยพราะตรายังไม่ทานเดี๋ยนี้เก็บไปไว้ก่อนเอาลูก ม, มันจะให้แก่จัดอกสักสองาวันน่าจะทานอย่างเงี้ยมันก็ซื้อมาทั้งลูกเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขด้านวัตถุเนี่ยมันเยอะมากแต่ในแง่ของธรรมนามาธรรมเนี่ย มันไม่เยอะนะมีรูปกับนามแค่นั้นอนะ่ะแต่พอเป็นในแง่ของรู ป, ปรธรรมเป็นไงตาหูจังบุคลิมกายใจรูปเสียงกีดรสัมผัสรุ่ยแยกไปหมดแต่พอมาเป็นปรมัตถ์เหลือแต่รูปกับนามแค่นั้นเองมันเลยสั้นเข้ามาตอนนั้นเรามาปฏิบัตินี้ให้แยกความจริงกับความไม่จริงออกจากกันความจริงกับความไม่จริงมาได้กันได้ไหม น่าจะด้วยเอาให้ชัวรป์ซนควจริงกับความไม่จริงมาด้วยกันได้ไห ม, ม, ไ, ม ไ, ไ, ไม่น่าล่ะเอาจริงเลย <c oughs> ซื้อปลามาตัวนึงกินได้ทั้งหมดไหมไม่ไม่ได้ทั้งหมดครับเพราะอะไรบางส่วนทานไม่ได้าส่วนทานได้นั่นทนไม่ได้เ็าเรียกว่ามันไม่จริง มันกินไม่ได้ความจริงก็ส่วนที่กินได้เท่านั้นซื้อรุเรียนมาทั้งลูกเนี่ยกินไม่ได้ทั้งหมดนะส่วนไม่จริงไม่ใช่ส่วนที่ใช้ไม่ได้อทิ้งไปใช่ไหมมันมาด้วยกันความจริงคือสิ่งปรมัตดนั่นแหละ <Okay. S 2> อยากจะเอามาคือไม่อยากจะใช้คําว่าสมมติกับปรามัดอยากใช่ว่าความจริงความไม่จริงสมมติปรามัตดรู้สึกเป็นภาษาศ า, าสนาเกินไปน ะ, mm. ะมาด้วยกันสมมุติกับปรามัดความจริงกับความไม่จริงมาด้วยกัน อย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องมาเข้าใจการที่เราจะแยกความจริงความไม่จริงกันถ้าเราไม่มีปัญญาแยกได้ไหมไม่ได้ไไดเพราะฉะนั้นเรามาฝึกฝนเพื่อให้เกิดปัญญาตัวนี้เราอยู่ในสังคมเนี่ยก็มีทั้งคนจริงคนไม่จริงใช่ั้มแล้วในบ้านเราครอบครัวเราเนี่ยก็มีทั้งคนจริงและคนไม่จริงคนจริงคือคนที่เราใช้เขาได้แต่ว่าคนไม่จริง เราจะบอกว่าเราใช้ไม่ได้เขาไม่ดีไม่ใช่นะแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะใช้เขาตอนนี้ต้องการใช้คนคนนี้ยใช้เรื่องเนี้ยแต่บางทีเราจะใช้เรื่องนี้ไปใช้อีกคนมันไม่เอานะไม่ทําให้แต่ใช้คนนี้มันทําให้คือไอ้คนที่คนจริงไอ้คนนี้ไม่ใช่เขาไม่จริงไอ้คนยังไม่ถึงเวลาที่จะหน้าที่ของเขาจะจริงนะบางทีเราจะใช้ผิดหน้าที่ก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะนั้นในแง่ของความไม่จริงเนี่ยต้องรู้จักเลือกใช้ อย่างทุเรียนเนี่ยไม่ใช่เอาเปลือกทิ้ง น, นะนอกจากเอาเปลือกที้งเอาอะไรทิ้งอีกน้ำจืดนะเม็ดกินได้ไหมทิ้งอีกนะแต่บางครั้งเอาเม็ดทิ้งไม่ได้นะต้องไปทําอะไรได้ด้วยเอาไปปลูกได้ต่อเพราะฉะนั้นของไม่จริงบางอย่างมันยังไม่ถึงเวลาจะใช้ก็ เ, เก็บไว้ก่อน ถ้าถึงเวลามันอาจจะใช้ได้นั่นหมายถึงว่าเอาไปปลูกเป็นต้นได้ในกรณีที่เราไม่ต้องซื้อไม่ต้องการซื้อทุเรียนกินทุกปีเนี่ยก็ไปซื้อเม็ดมันบวกปลูกกินได้มันก็มาเป็นเม็ดทุเรียนกลับมาเป็นลูกทุเรียนเนื้อทุเรียนใหม่เพราะนั้นความจริงก็ไม่จริงบางทีเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันต่างใช้ต่างกรรมต่างวาระเท่านั้นเองสมมุติกับประมาจเหมือนกันนี่เรียกว่าเราเกิดปัญญาที่ใช้เมื่อเราเกิดปัญญายางนี้เราจะอยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีความทุกข์เลยเพราะอะไรเพราะรู้จักใช้ ง น, นที่ใช้ว่ากุสโลบายกุศลนะยมอีข่ขามีใครน้อคนเก่าๆเนี่ยยมเปมี่ยนว่ายมเปี่ยนนี่ใหม่ไปเอาถ้าจะเอายมดวงตะกอนรกรดวงตะกอนเคยเข้าเกี่ยวบรุเข้ ม, มไห ย, ยังไม่เคยนี่แสดงว่ายัางตอบไม่ไยมแค้นนะเข้าเกี่ยบรุเข้มมาแล้วหลายครั้งต้องถามแล้วทีนี้ว่า ในส่วนที่จริงหรือไม่จริงหรือสมมุติปรมาณิเราเข้าใจว่าถ้าสมมุติปรมาณิเป็นภาษาบาลีตามคำสอนของท่านสมมุติปรมาณิมันเป็นตัวาภาษาบาลีที่นี่อยากจะถามว่าคําว่ากุศลกับคําว่าบุญเนี่ย เป็นคนละความหมายหรือความหมายเดียวกันเ อ, อชักลาบากใจแล้วนี้นะเกี <c ười> ่ยวลงมาหลายครั้งแล้วนะต้องเข้าใจเรื่องนี้เอาอถ้าคนละอย่างต้องอธิบายได้ด้วยว่ามันคนละอย่างอย่างไร อ, อันนั้นก็เป็นคำพูดนะ <c oughs> เป็นคำพูดนะแต่ความจริงอ่ะอยากจะรู้ความจริงเป็นงไงบุญกกุศล น, น ะ, ะไปทำบุญกุศลกันเถอะเอาบุญไหม <c oughs> <c oughs> นนเนี่ยนะถ้ากุศลเนี่ยมันเป็นเรื่องของคางว่าดูตัวกันนะคาว่าบุญนี่แปลว่าเต็มเวลาไปทำบุญน ะ, ะเต็มใจให้อิ่มเอิบใจสบายใจ แต่คนคนนี้อสองคนนะคนหนึ่งมีไปทําบุญด้วยกันแต่คนหนึ่งมีกุศลคนหนึ่งไม่มีกุศลนะสองคนเนี้ยไปทําบุญด้วยกันมากับบ้านอสมมุติสองสามีพันยาไปทําบุญโอ้วันนี้ทําบุญเลี้ยงพระทำอาหารอิ่มเอิ บ, อ บ, อบใจทั้งสองคนกลับบ้านไปถึงบ้าน <c oughs> ลูกมันด่าเอาเนี่ยผมจะไปเรียนเวลาสิบเอดมงผมนัดทำไมแล้วผมสี่โงแม่ทํามาพเที่ยงเนี่ยผมไม่ได้ไปโรงเรียนวันเนี้ย ไม่เสียเวลานัด ก, กันแล้วไม่มาเนีเสียชัดเจน ไ, ไ, ไม่น่าจะเป็นพ่อไม่น่าจะเป็นแม่ผมเลยเนี่ยโอ้โหเป็นไงบุญที่ได้อิอ่มใจมาเป็นไงหายวับเลยใช่ไหะแต่แม่เนี่ยเป็นเคยคนปฏิบัติธรรมมาเกิดจิตของตัวเองปฏิคฆะเห็นดูจิตของตัวเองจนกระทั่งความรู้สึกปฏิฆะหายไป แต่พ่อมันยังเป็นไฟอยู่นะโอ้โหกูเลี้ยงมึงมาดีทนะั้ฝาหอยมึงพูดขนาดนี้ได้เออเพือารบไฟขึ้นพุดๆเลยนะแต่แม่มันเข้าไปลูกหลังลูกฮ่อลูกอภัยให้แม่ด้วยแม่ลืมไปแม่ว่าจะเอาบุญมาฝากลูกเลยมาไม่ทันต้องเอาไฟให้แม่ด้วยลูกเป็นไงโอ้แม่ก็ระหว่างสองสามีพัญยาณใครมีบุญใครมีกุศลใครไม่มีกุศล เห็นไหมสามีมสามีนี่ได้แต่บุญแต่ไม่ได้กุศลแต่แม่มีทั้งบุญและทั้งกุศลเพราะอะไรเพราะเกิดอุบายทําจิตได้ทันเลยเปลี่ยนถารการได้ไหมช่วยลูกได้ไหมลูกแทนที่จะตกนรกใช่ไหมนี่คือความต่างดังนั้นเองเราก็ต้องต้องฝึกนะถ้าทําบุญมานานถ้าไม่ทํากุศล ก็เหมือนคนไทยเราชอบทําบุญนะแต่ไม่ชอบภาวนาภาวนาทำให้เกิดกุศลทําบุญทำทานรักษาสินทาให้เกิดบุญการให้ทานรักษาสินทำให้เกิดบุญแต่กุศลอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่การภาวนาทำให้กุศลและได้ทั้งกุศลและได้ทั้งบุญเสมอเพราะนั้นคนที่ฉลาดจึงทำกุศลมากกว่าบุญแต่มืนอไหรความว่าเขาไม่ทาบุญนะเขาก็ทาแต่ว่ารู้จักทา ผู้จักเลือกทุกวันนี้ที่พระในศาสนาของเราเสื่อมติดราบสักการะเพราะว่าคนชอบทําบุญแต่ไม่ทํากุศลพระเลยไปติดละไรติดลาบสกาักการะบุญนั่นเองฆ่าพระโยมได้บุญแต่พระได้เลยพระได้บาป <c oughs> เพราะพระนั้นเอาราบสักการะไปใช้ในทางที่ไม่ถูกใช่ไหมเอาไปใช้รนะตอบสนองบำรุงบําเลยกิเลสตัวเองมันก็เป็นบาป แต่พระองค์นั้นเอาสิ่งที่ญาติโ ย, ยมทํามาไปทำกุศลทําบุญต่ออย่างนี้นะพระองค์นั้นก็ได้บุญต่ออีกนะอันนี้ก็ก็ดูเป็นกรณีไปนะไม่ใช่ทุกองค์นะบางคนมีทั้งบุญกุศลพระบางองค์ก็มีทั้งบุญกุศลได้รับลาบสักการะมาแล้วก็ไปพิจารณาใช้ใหญ่ให้เป็นประโยชน์ต่อพระาศาสนาสืบทอดพระาศาสนาต่อไปพระองค์นี้ก็มีทั้งบุญทั้งกุศลแต่พระที่ไม่ได้ภาวนามาก็องค์เห็นว่าได้รับสักการะมาก็เอาไปตั้ง กิเตามความร่มของตัวเองก็เป็นบุญก็กลายเป็นบาปนะแต่บุญกลายเป็นจะกลายเป็นบาปแปลกุศลถ้าทําไม่ถูกนั่นคำถามที่สองเกิดขึ้นคำว่าบาปแกุศลเป็นคนละอันออันเดียวกันน้องแคทคำถามที่สองถ้าถามพวนี้ได้ก็ไม่ต้องเกี่ย็บอารมณ์เลยนะเ <laughs> ป็นไายุงช่วยพิสูจน์เป็นไง ก็ผมไปทำมาแล้วแต่ทำาแล้วไม่เอาอะธรรมามีอยู่แล้วอะเทียนกันไปเขียนกันมาโยมเป็นงน้บุญได้ได้ไม่ไดุ้ญได้กปลับไปเพราะอะไรแต่ถ้ามีกุศลเส้นหน่อยใช่ไหมเห็นสาระหลวพ่ะมีคุรธลู่หรือยังนะผมจะเอามาถวายอ๋อโยงมีแล้วยงเปี่ยนเป็นพระไตรปิฎกได้ไหมพุทธลู่อ๋อเดี๋กันน้มีพุณธลู่แล้วถาจะเรียนพระตรปิฎกทําไปซื้อพระไตรปิกมา อ, อ๋อเออเห็นไหโยกประเ ด, ด็โตัวย่างเลยใช่ไพากัะไปหาได้ศึกษายกไปหศึกษาประเ ด, ด, ด็นตัวอย่างรื่นี้เพราะฉะนั้นการที่มีการจะจสอบถามมีการเลือกเงื่อนไขที่ดีกว่าผู้เรียนใช้ของบผู้เรียนฉันว่าถ้าจะทำบุญต้องใช้ควาวิจั ย, ย, ยหาหนังต้องเลือกการเวลาต้องเลือกบุคคลหรือสถานที่ด้วยถึงจะได้ทั้งบุญทั้งผุ้สม แต่ทําบุญไปโดยที่ไม่อเพื่อเกิดอการเวลาไม่ได้สร็จได้แต่บุญแตกไม่ได้ดบุญสุดเทพบุญนั้นอาจจะกายป็นบาปเลยถ้าในกรณีที่ว่ามีนะอันนี้คือความได้อ่อนทางความรู้นสนะเพราะฉะนัะ้นในบ้านเราบางคนคนนี้ดีใจบุ ญ, ม, ญมีอะไรก็ให้แก่ประธานแต่ว่าไปแตกไม่ได้นะไปพูดผีใจไม่ได้นะไปขึ้นบุญเลยมีใช่ไหม มีแล้วไปแต่ต้องไม่ได้ไปพูดใผิดใจไม่ได้แต่โอ้ดีจักเลยเออเพื่อเพือแผลรักพี่รักน้องรักลูกรักเมียดีนะแต่ไปพูดขัดใจไม่ได้นะนี่เขาเรียกเป็นคนดีอะไรมีบุญแต่ไม่มีอุศนแต่บางคนแล้วมันก็ชอบทาบุญทาทานอะไรเขาเน่ยแต่ว่าใครทาโรงพยาบาลหรือทำโรงเรียนเขา ขอมาสนับสนนเปน็นเป็นแสนให้นะแต่ถ้าบุญพันสองพันกนส็สร้างวัดสร้างวาที่เขาสร้างเรียบร้อยเนี่ยไม่อยากทำเลือกทำในสีที่เป็นประโยชน์เรื่องว่าถุประแต่ในสิ่งที่มีประโยชน์น้อยกว่าก็ไม่ทันนี้คือคือตัวปัญญาในการที่จะเลือกให้ผู้วิจาต้องเลือกให้มีใจยทางนั้นถ้าคนไทยส่วนใหญ่ที่เราไป็นลำ บ, บุญเราใช้ค้อนดีไหมเลือกให้นะ ไม่ดเลือกให้วันนี้วันพระออกพรรษาเนี่ยเราหูพระที่วัดห้าลูกแต่คนบรรทบุญร้อยเนยคนกันมาขนมข้าวต้มบอดอกไม้เต็มสาราเลยนะอย่างเงี้ยเขาว่าไม่ได้เรียกให้แต่อีกคนมันมีกุศลวันนั้นไม่มาเราถอนอษาพรรษาออกพรรษาฉันไม่มาวันไหนพระไม่มีอาหารฉันที่อยู่ไปเต็มที่เลยนะไปดูต่อรููพระวันนี้มีอาหารที่วัดอาหารคอยฉันไปท่านทรศัพท์ไป ไม่มีมั่การรวมจะไม่พอพระวันนี้พระแข่งมาที่เกตแต่รูปอาหารมีแค่สาม ร, รูป เ, ออเดี๋ยวผมไปเจ้าพาะถวัยคนนี้ได้บุญมากกวิดทำบุญดอกเันใสเพราะรู้จักเรื่องเวลาการลเหสัใช่ไหแล้วก็พาะที่วัดแต่ละวัดใช่มโอ้เป็นตูๆแต่พระมีแค่รู้สอรูปนี่ก็เรียกทำบุญแต่มันมีมิสีๆๆ่สนีเพราะอเพราะมันเหลือเฟือเกิจเป็น เพราะฉนั้นทุกวันนี้ใครจะถวายมาอะไรมาก็ต้องถามคนหนึ่งต้องถามวัดธรรมมาเที่ยวมาต้องการในสิ่งนี้ของที่วัดธรรมามันกองวันเดินเที่มันมีที่เก็บเนี่ยนะเราต้องถามเพราะฉะนั้อันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราปฏิบัติภาวนาแล้วเราจะฉลาดในการทำแต่คนไม่ภาวน า, วาก็จะนยังกลัวบาปกลัวไม่ได้บุญแต่คนภาวนาเป็นแล้วจะไม่กลัวบาปและเขียยไม่ ออยากจะได้บุญเพราะอะไรเพราะรู้ว่าบุญเกิดที่ไหนพ่รู้ว่าบาัดเกิดที่ไหนแล้วไม่กลัวนรกไม่อยากจะไปสวรรค์เพราะรู้ว่านารกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนรู้ใจอสวรรค์นอกนรกในใจก็ง่ายดีไปเนาะสวรรค์คือความพอยใจนร ก, กคือความไม่พอใจแค่นั้นแหละเราวันกันมากี่ครั้งแล้ น, านารกในใจเราเนี่ยอาง่ายๆเลยใช่ไหม ไม่พอใจแน่้นอยบนรกหู่น้อยๆนะถ้ามอกไม่พอใจมากๆหูจำไนนม่นานว่านรกก็ลึกมากนะ อ, อยู่ตรงนั้นและนรกที่จะเป็นเหปัจจัยข้างห น, น้าไม่ต้องพูดแล้วนะอย่างที่ว่าเมื่อกี้คุณปู่มั่งมั่คุณะจะไปคิดปัจจัได้มว่วเสมอไปนะมันอาจจะได้ใจโลกขอ ม, อ ม, อ ม, อ ม, อมอันก็ได้เพรา ะ, ะนั่นเหตุปัจจัยที่จะเติบโตจากนั้นไม่แน่นอนแต่แน่นอนว่าคุณปู่มั่งมั่งจริงฉันได้ไปจากนั้นนะ ดังนั้นอันนี้กําลังพูดเรื่องนี้คืออา น, นิสงส์การภานาะว่ามันจะได้อย่างนี้แต่ถ้าคนภาวนามาสามปีหปีเจ็ดปียังกูจะมูไมื่โดนถามว่าได้กูโสดไหมไม่ได้เพาะอะไรเพราะเออผิดทางผิดวิธีนะผิดทางผิดวิธีมันก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราทํากูโสดไม่ใช่ว่าจได้สิ่งที่เป็นกูโสดสูงลงไปอยู่ที่ว่าการใช้ ุูสวนให้จะมุ่งที่เรื่องของจิตเป็นใหญ่นะจิตมุ่งถึงตัวปัญญ า, าเพราะนี่คืว่าสกิล e อีมายถึงกูสวนจิตเพราะนั้นในโอวาสสามข้อข้อแรกวันไหนจุดจุดโอวาสสามข้อที่เชาาพุ้นนะเลยถ้าปฏิปบัติเลยแลบอกไม่ได้เมีบอกเลยปรับตรงแน่ น, นอ น, นโอวาสพุทธเจ้าสามข้อยาจเมปรเทศกันนวันไหนวันมาค่า มาข้าวิชาใช่ไหมมีอะไรบ้างมันประกาศพุทธศาสนาสาบข้อข้อหนึ่งยังจบหมอไปเลยตายกไม<ด>่ทาบาปทั้งปวงเน่สัพปะปาราปัสสะการั้นนะไม่ทำบาทัท้ปง ป, ปวงบาปคู่กนะับกอะไรยมุนรตนทความดีเพราะนั้น <c oughs> บาปคูกความดีหรือบาปพู่กับบุญบาปคูบุญบแต่ในนี้นไม่มีบุญนะคุณสนข้อ เพราะว่าข้อสองว่าไงคุณพี่เฉยครั้งทำกุศลถึงพร้อมครับผู้สียดสู้เปทนาำแรกผู้สนั้นไม่มีคว่าบุญนะฉะนั้นมีกุศลอันที่สามทยมตีเพราะว่าข้อที่สามว่ไงอ่าสัจจิกัดเรียนนำั้นวิจิตรให้ผองใสมีสามข้อไม่มีคาว่าบุญเลยใช่ั้ยสักข้อเลยใช่ั้มมีคำว่าบาป์กุศลแล้วก็ ทำจิตให้เป็นให้บริสุทธิ์นะมีคําว่าบาปมีคำว่ากุศลมีคําว่าบริสุทธิ์นั้นก็แสดงว่าบาปเกิดขึ้นเพราะเราไม่ฉลาดรักษาแจเพราะบาปในบาปนั้นมันมีคุณอยู่แล้วในคุณรหิมนมีบาปไปแล้วท่านจึงไมเอาเข้ามาในนี้ม่มีคำว่าปุริยะสูบะสมบัติท่านใช้คำว่ากุศลสูบะสมบัตนะคาว่ากุศลสูบนั้นลักษัพ รักษ า, าเป็นไงกุคําหนึง่งสระคําหนึง่งกุนแปลว่าสิ่งน่าเกลียดสาระแปลว่าตัดกุศลแปลว่าการตัดสิ่งที่น่าเกลียดออกจากใจตัวเองได้อะไรเป็นสิ่งที่น่าเกลียดในใจอ่ะอกุศลทั้งปวงใช่ไหมอกุศลทั้งปวงคือความอ๋อ ควานักเก็ตทั้งปวงท่านใช้ว่าปากบาปนะอกุศล น, นี่มันแปลว่าอย่างงี้นะสมมุติว่าอามาเอาไอ้คนเนี้ยเป็นช่างซ่อมรถช่อมไดานามโมก็แล้วกันอ่าเป็นซ่อมล้านนี้มาใช้ได้มานานมีปัญหาเอาไปซ่อมอีกทีไปซ่อมร้านนู้นตั้งแต่ไปซ่อมได้ล้านนั้นมาเนี่ยมันไม่เคยเสียเลยนะใด แสดงว่า้สองไอ้ไอ้ร้านซ่อมใดสองร้านนี่เป็นไงต่างกันไหมร้านแรกเป็นไงไม่เก่งเรี๋ยวไม่เป็นนะนะซ่อมไม่เก่เกเงนนะมมกแต่อีกคนมันซ่อมเก่งอ่าดังนั้นคําว่ากุศซนเนละ<ม>ก็ทําเป็นอกุศลไว้ว่าทําไม่เป็นมันไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีนะกูโซนนะพูดเป็นทําเป็นที่เรามาเป็นอ ะ, อะไรนะสโลแกนการศึกษาของไทยเราใช่ไหม พูดเป็นทำเป็นคิดเป็นคือมีกุศลเขาเรียกว่าอะไรกุศลกายกรรมตัจจีกรรมโมกกรรมกรรมอันเป็นกุศลทั้งสาคือทำเป็นพูดเป็นคิดเป็นเรียกว่าคนนั้นมีกุศลคือพูดถูกจังหวะกาลเทศะคิดถูกกาลเทศะแล้วก็ทําถูกกาลเทศะลักษณะเลือก จังหวะเหมาะโอกาสพอดีเนี่ยเรียกว่าคนนั้นมีกุศลก็คือตัวปัญญานั่นเองใช่ไหมนี่คือตัวนี้คือกุศลคือตัวปัญญานั่นที่ชาวไอดิท่วต่อมา Ski ลอิมิเป็นผู้ฉลาดในการใช้สิ่งของเรียกว่าคนนั้นนั่นคือหัวใจพุทธศาสนามีบุญฉลาดในการใช้บุญมีกายฉลาดในการใช้กายฉลาดในการใช้กายใช้อย่างไรใช ไม่ให้ป่วยไม่ให้ป่วยยุมตะเคยป่วยองไหมแสดงว่ายังใช้ไม่เป็นอยู่ใช่ไหมแต่ก็รู้ว่าป่วยมีสองป่วยนะรูปโรคมีสองอย่างใช่หมหนึ่งรูปโรคที่เป็นไปด้วยอํานาจของกรรมป่วยเรื้อรังเจ็บเรื้อรังนี่นะสองโรคที่มันป่วยชั่วคราวเช่นนั่งนานปวดรังปวดเดียวนะลูกขึ้นก็หายอันนี้ก็เป็นโรคอันหนึ่งนี่ก็ โลกที่เป็นโลกใจรักนะรูปโลกที่เกิดจากใจรักษณที่เป็นเหตุสองรูป โ, โลกที่เกิดจากใจรักษที่เป็นผลเรียกว่าวิบากเช่นนั่งนานๆไม่ยอมเปลี่ยนบ่อยเข้าบ่อยเข้าร่างกายเกิดตัวไงเอามาพึ่งเอาม า, าพาดใช่ไหมเกิดท้ทองเป็นเทา้าเป็นดานเกิดความดันขึ้นอะไรพวกเนี้ยอันนี้เรียกว่านั่งไม่เป็นก็ให้เกิดผลวิบากตามมาแต่นั่งเป็นคือปรับเปลี่ยนอ อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นกุศลเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องในการใช้กายใช้ใจที่มีทุกข์เท่าที่จาเป็นทุกที่จำเป็นหมายความว่าอย่างทุกอันเกิดจากไจรักเนี่ยหลีเลี่ยงไม่ได้นะกายใช่ไหมเพราะการมันเป็นไปตามกฎของไจรักแต่กฎไจรักเนี่ยมันจะเข้าถึงใจด้ไหมเข้าถ้าขาดแหละเต็ม จ, จวก กฎใจรักเข้าถึงใจได้ไหมถ้าขาดขาดสติไม่พอต้องขาดปัญญาด้วยนะฮะต้อขาดปัญญาคนไหนมีสติปัญญาถึงพร้อมกฎของใจลักที่กายเข้าถึงจิตไม่ได้เพราะกฎใจลักนั่นเองที่อยู่ที่กายแ ล, ล้วเรียกว่าความสบายเมื่อสบายและความเป็นกลางแต่พอกฎของใตรักนี่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ปับ๊บมันเข้าสู่จิตความสบายก็อให้เกิดความพอใจชอบใจและติดใจ ความไม่สบายกายก่อให้เป็นความปฏิฆาหุนหงิมหงุหูเสียอารมณ์ใช่ไหมเป็นเป็นฝ่ายเข้าถึงใจแล้วเป็นนามารูปแล้วก็ฝ่ายเป็นกลางแล้วก็ไปเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆก็เป็นตัวของโมหะลันี่เข้าไปลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดว่าความสบายไม่สบายกายเกิดขึ้นหรือเฉยๆเกิดขึ้นเราไม่เสพไม่เพลินไม่ปฏิฆากับมันปรับแก้ไปเรื่อยๆจิตของเรายังเฉยๆอยู่อย่างนี้ใจรัก ไม่สามารถเข้าสู่จิตได้เพราะมีอะไรเป็นตัวกั้นอยู่ตัวสติตัวปัญญาคอยกั้นอยู่เพื่อไม่ให้แปลงเป็นตัวราคะโทสะโมหะใช่ไหมยากไหมตัวนี้ยากมหมยากมากๆนะเผือว่าอะไรพอใจยาเพราะฉะนั้นคนที่ไปแยกสมมุติปรมาภิไปแยกตัวนี้ให้ได้ตุวแคทถ้าแยกตัวนี้ไม่ได้โอ จะใช้เวลานานอยู่เนี่ยสมมติว่าไม่สบายสบายกายนะก็ไปแยกปรมัดออกก็คืออย่าให้ตัวไม่สบายของกายนี้ไปสู่จิตได้นั้นแสดงว่ามีสติไปไงระดับปรมัดคือเป็นเองระดับที่เห็นเองเป็นเองแล้วก็สลัดไปเองโดยที่ไม่ต้องไปรับผลการที่ขาดสติแล้ว จิตเนี่ยไปรับผลของความสบายไม่สบายจากกายมาเป็นตัวมันเองเรียกว่าพอใจไม่พอใจแล้วก็หลงนะอันเนี้ยเราไปแยกตัวนั้นะให้เป็นแต่ระดับปรมาจ์นะแต่ระดับสมระดับรูปนามแค่แยกว่าแค่ปรับกายให้เวลามันหนักปรับให้มันเบาเป็นก็ใช้ได้นะเอ า, าแค่นี้ก่อนนะชั้นรูปนามนะ อ, อย่าไปมุ่งิดแกี่กความรู้สึกนะ แค่ว่าเอยสบายแล้วอย่าไปแช่อยู่ตรงนั้นก็ใช้ได้แล้วแต่สัญชาตญาณเดิมของเราเวลาสบายเราก็แช่แล้วก็เสพใช่ไหมอยากจะนั่งนานๆเวลาไม่สบายก็รู้สึกเป็นไงห ง, ง, งุดหงิดติดอารมณ์อึดอัดใช่ไหมอยากจะลุกหนีอย่างนี้เขาเรียกว่าอารมณ์รูปนามมันยังเป็นอันเดียวอย่างแยกไม่ได้ระหว่างสัญญาณนะ <c oughs> นั้นเบื้องต้นให้แยกได้แค่นี้ก็พอใจละคือความไม่สบายกาย อย่าปล่อยให้เป็นความไม่สบายใจและความไม่สบายใจก็อย่าปล่อยให้ไปทำร้ายร่างกายอย่างนี้เป็นต้นหนาดังนั้นเช้านี้ประถมนิเทศกันเท่านี้แล้วต่อไปว่าใครมีอะไรที่ข้อสงสัยห้องใจไม่ไ ม, ไม่ไม่ชัดเจนที่พ่อนาเสนอมาทั้งหมดถามเคลียร์กันก่อนเผื่อว่าเราจะได้คนใหม่จริงขอยกมือหน่อยนะ หนึ่งสองมีสองคนนะสามไอ้เคยเห็นหน้านะเออที่ตรั ง, รงอะเนาะนานแล้วเนะนาะนันตรังสามคนใหม่เคยทําแต่คนใหม่ยังม่สองคนที่คนใหม่ที่ไม่เคยทําเลยนะสําหรับคนใหม่ที่เคยทํามีหนึ่งสองสาม ส, ามสี่เคยไม่ใหม่แล้วเรือเห็นเข้าหลายครั้งแล้วนะ ตนนี้หลวงพอถือว่าเป็นคนเก่าประเภทสองอ่าคนเก่าประเภทสองไหมเพราะว่าเข้าหลายครั้งแต่ยังไม่เคยเก็บอารมณ์นะอ่าใช่คนเก่าสองประเภทประเภทหนึ่งประเภทสองคนใหม่อ่ประเภทหนึ่งประเภทสองนะเพราะนั้นแยกกันให้ชัดแบบนี้เวลาอเราเก็บอารมณ์จะไปสอบอารมณ์ไม่ถูกเราก็จะไม่เสียเวลานะจุ่บตกลงมีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีโยมตั้มีอะไรสงสัยไหม ไม่มีนะคนใหม่ของเราสงสัยทั้งหมดทุกเรื่องนั่นแหละที่หลวงพ่อพูดมาเอ๊ะใจเรือไม่ใชนะ่เนี่ยแล้วก็เคลียร์กันไปแต่ละวันแต่ละวันไปนะเคยมาสองครั้งแล้วใช่ไหมสองนะที่ว่าเป็นคนแต่ยังไม่เคยเขีว่วอารมสองครั้งถึงเจ็ดวันไม่แต่ละครั้งห้าวันยังไม่ถึงเจ็ดวันเลยนะถือว่าเป็นคนใหม่ก็ะเภทสองกันแล้วกันประเภทสองที่เข้าใจได้ ก็ขอนุรมนาสาธุในความตั้งใจที่เราทั้งหลายจะได้วิวัติพัฒนาภูมิธรรมภูมิปัญญาของเราให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งหายสงสัยเพื่อเราจะได้รักษากายรักษาใจของเราให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์อย่างกว้างขวางและต่อตนเองอย่างลึกซึ้งโดยการทุกคนทุกทาน